หมอหมอที่ชาชุนเซาคือหลวงปู่ดูลเนี่ยท่านไม่ได้สอนแค่บทเดียวคําสอนบทที่สองของท่านบอกว่านหนึ่งจิตมีธรรมชาติส่งออกนอกพราะฉะนั้นเราไม่ได้ฝึกอะไรที่เหนือธรรมดานะเราฝึกในเรียนรู้สิ่งที่ธรรมดานะั่นแหละธรรมะกับธรรมดานี่อันเดียวกันเลยนี้ธรรมะเรียนเรื่องอะไรบ้างธรรมดาของกายธรรมดาของใจเป็นยังไง กายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา <Yeah. S 1> ต้องเรียนให้เห็นสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นเราจะไม่ใช่ไปเรียนเพื่อจะบังคับใจให้แปลกไปจากปกตินะไม่ใช่น้อมไปทำอะไรหรอกแต่เราคอยตามรู้เขาธรรมชาติของจิตนี่ส่งไปส่งมาวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปคิดห้ามไม่ได้ถ้าเราห้ามได้ก็แสดงว่าจิตเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาถ้าอย่างนั้นจิตเห็นจิตไม่แจ่มแจ้งล คำว่าจิตเห็นจิตยอย่างแจ่มแจ้งมายถึงรู้ความจริงของมันตรงความเป็นจริงของมันพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่คนที่บังคับจิตซึ่งไม่เที่ยงให้เที่ยงได้ไม่ใช่คนที่ทําจิตซึ่งเป็นทุกข์ให้เป็นสุขได้ไม่ใช่คนที่ทําจิตที่เป็นอนัตตาให้เป็นอัตตาได้แต่ว่าคือคนที่คล้อยตามสัจจะคล้อยตามความจริงเห็นความจริงะทั้งกายทั้งจิตนี่แหละแล้วก็ว่างได้ปล่อยวางได้ ทำไมท่านพูดว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคอันนี้ท่านเร่งเพ่งเล่งไปถึงอรหัตมรรคเลยตรงอรหัตมรรคเนี่ยมันวางกายมาหมดแล้วเหลือแต่จิตอันเดียวล้วนๆเลยจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงอยู่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเต็มที่นะแม่แ ส, ส, ส้สายส่งไปไหนละตั้งด้วยความมีปัญญาจิตของเราสังเกตไหมไม่ค่อยตั้งมัน่นสายไปสายมา วิ่งไปหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินผอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรนะวิ่งไปเรื่อยเวิ่งไปหาอารมณ์แต่ว่าพอมันมีปัญญาป่นกลางถ้าอนาคามีเนี้ยมีปัญญาป่นกลางรู้ว่าถ้าจิตเกิดความอยากจิตเกิดความยึดจิตจะมีความทุกข์จิตจะไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์พอมีปัญญาเห็นอย่างนี้จิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมา มันจะตั้งมั่นมันไม่วิ่งไปตามปัญหาวิ่งไปหารูปเสียงกลิ่นรสปวดทับ้าอะไรภายนอกนะมันจะตั้งอยู่ที่จิตดวงเดียวท่านถึงบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรคเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นยังไงไปเห็นตัวผู้รู้แจ่มแจ้งหรือไม่ใช่นะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือเห็นว่ากระทั่งตัวจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตตัวผู้รู้เนี่ยเป็นทุกข์นะเป็นอนัตตาแล้วแต่จิตเห็นบางคนเห็นว่าไม่เที่ยง หลุดพ้นด้วยการเห็นว่าไม่เที่ยงเรียกว่าอันนี้มิตาวิโมกหลุดพ้นด้วยการเห็นว่าเป็นทุกข์เรียกอภิปปนิหิตาวิโมกหลุดพ้นด้วยปัญญานะเห็นความไม่ใช่ตัวตนเรียกสุญญาตาวิโมกตรงจุดนี้เป็นจุดของการเดิอนอรหันตมรรคทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็คือเห็นเป็นใจ ร, รักนั่นแหละพอเห็นใจ ร, รักอันแดนหนึ่งก็จะปล่อยวางจิตเมื่อจิตปล่อยวางจิตก็ไม่มีอะไรให้หยิบฉวยอีกแล้ว ดังคำสอนของท่านนะลึกนะลึกแั่นไม่ใช่เบื้องต้นเราไปนั่งดูแล้วก็ว่าจิตส่งออกนอกไม่ดีแล้วก็เพ่งไว้ข้างในไม่ใช่นะเรานั่งดูตามความเป็นจริงดูให้เห็นแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงว่าจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาฏตาฉั้นเราไม่ได้ฝึกอะไรที่เกินธรรมดาธรรมะนี่แหละธรรมดาจริงๆเลยเข้าใจความเป็นธรรมดาแล้วก็ไม่ยึดถือได้ทําไมไม่ยึดถือจิตละ่ะ ก็เป็นของไม่เที่ยงเลยบางท่านเห็นว่าไม่เที่ยงก็วางบางท่านเห็นว่าเป็นทุกข์นะจากตัวผู้รู้ที่มีความสุขมากเลยมีความสุขที่สุดเลยสว่างผ่องใสสะอาดนะดีเยี่ยมเลยจู่ๆมันพลิกเป็นตัวทุกข์ให้ดูนะใจเห็นเป็นทุกข์สุดขีดนะปล่อยก็ไม่ได้นะละก็ไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ไดนะ้เหมือนจะตายเลยนะความทุกขาา์บีบคั้นเข้ามาบีบคั้นเข้ามาในสุดจิตยอมปล่อยวางจิต ทำไมบางคนก็เห็นทุกข์มากๆถึงปล่อยวางพวกนี้สมาธิกล้าพวกที่สมาธิแก่กล้าจะเห็นหลุดพ้นด้วยการเห็นทุกข์เพราะถ้าจิตไม่แสดงความทุกข์ให้ดูอย่างรุนแรงขนาดนั้นจะไม่ยอมปล่อยหรอกเพราะสมาธิมันแรงมันจะมีแต่ความสุขล้วนๆเลยมีแต่ความสุขตั้งมั่นอยู่นั้นทั้งวันทั้งคืนแต่เมื่อเห็นว่ามันทุกข์จริงๆนะถึงจะยอมวางนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆศึกษาใจเย็นๆนะ อย่างพวกเราคิดว่าเรารู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆไม่รู้หรอกอย่างท่านสอนบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์กายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์ถามว่ามีใครเห็นอย่างที่ท่านสอนไหมไม่มีนะพวกเราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราเห็นได้แค่นี้เองเราไม่ได้เห็นว่าเป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ไม่มีมีทุกข์กับสุขไม่ใช่ ถ้าเมื่เห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเพียงแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะถึงจะยอมปล่อยตาบใดที่ยังเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างก็จะวิ่งหาความสุขไม่เลิกแสวงหาไม่เลิกแล้วก็วิ่งหนีความทุกข์ไม่เลิกเพราะมีทางเลือกถ้าเห็นทุกข์แจ่มแจ้งเนี่ยเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่ามันทุกข์ล้วนๆนะมันว่างมันจะปล่อยวางเพราะงั้นถ้าเห็นทุกข์นั่นแหละถึงจะเห็นธรรมเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่ากายกับใจเป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์มางสุขบ้าง ความอยากหรือสมูทไทยหรือตันหาที่จะให้จิตนี้ให้กายนี้มีสุขให้จิตนี้กายนี้พ้นทุกเนี่ยความอยากไร้เดียงสานี้จะหายไปเองเลยเพราะฉะนั้นรู้ทุกแก้มแจ้งสมูทไทยจะถุกละอัตโนมัตินะอัตโนมัติเลยไม่ใช่เราต้องละนะปัญญาที่ไปเห็นทุกนี่แหละจะมาละตัวสมูทไทยได้ทันทีที่สมูทไทยหรือตันหาถูกละนิโรธหรือนิพานจะแจ้งต่อหน้า ต, ตาเลยนิพานคือความสิ้นตันหานหะนึ่ง ทำไมใช้คําว่าแจ้งทําไมไม่บอกนิพพานเกิดขึ้นเพราะนิพพานไม่ใช่ของที่เกิดขึ้นใหม่ๆนิพพานไม่ได้มีความเกิดความดับอะไรนิพพานจริงแต่ว่าเราไม่เห็นเท่านั้นนีเอะวันใดที่จิตของเราหมดความปรุงแต่งอย่างแท้จริงเราจะเห็นนิพพา น, นจะเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตามีแต่ความสุขล้วนๆเลยกลางวันกลางคืนทุกๆุกอิริยาบทมีแต่ความสุข นั่นไม่ใช่ว่าอย่าส่งจิตออกนอกแปลว่าห้ามดูห้ามฟังนะห้ามคิดนะไม่ใช่ห้ามนะแต่ว่าเมื่อมันส่งออกนอกไปแล้วมันก็เพื่อหมั่นไหวมันยินดียินร้ายให้เรารู้ทันร้นหลังๆเราเรียนคํำสอหลวงปู่ดูเหลือครึ่งเดียวฉันบอกจิตเห็นจิตจิตส่งออกนอกเป็นสมูทยัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแกมแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแกมแจ้งเนะ เป็นนิโรธอันหนึ่งในนี้อันหนึ่งธรรมดาของจิตย่อมส่งออกนอกเห็นไหมต้องออกนอกนะถ้าไม่ออกนอกมันจะไปรู้อะไรได้ละ่ะอยู่ในโลกแบบเขาไม่ได้ละธรรมดาของจิตย่อมส่งออกนอกในจิตของพระอริยะเจ้าคําว่าพระอริยะเจ้าของท่านท่านเลี้ยงจริงท่านพูดถึงพระอรหันต์ในจิตของพระอริยะเจ้าเนี่ยเมื่อส่งออกไปแล้วเนี่ยนะไม่กับเพื่อหมั่นไหวจิตใจมีสันติสุขมีวิหารธรรมมีสันติสุขอยู่ อยู่กับความสงบสุขอยู่กับความสันติเนี่ยงั้นไม่ใช่ไม่ใช่ห้ามนะไม่ใช่ห้ามแต่ทั้งจิตของพระอรหันต์ก็ยังส่งออกนอกแต่ว่าส่งแล้วไม่กระเพื่อมบ่นใบเลยเพราะมีปัญญาแก่รอบแนละ้วหลวงปู่ดูลบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกคนเลยส่งเข้าข้างในตกเข้าไปข้างในท่านไม่ได้บอกว่าจงส่งจิตเข้าข้างในนะท่านเคยสอนหลวงพ่อบอกว่าจิตไม่มีที่ตั้งะ เกิดที่ตาก็ดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจก็ดับที่ใจมีแต่เกิดแล้วดับไม่มีที่ตั้งไว้ที่ไหนนานๆหรอกอย่าไปตั้งนะดูตามความเป็นจริงจนเห็นมีแต่จิตนี้เกิดดับเกิดดับเกิดดับดูอย่างนี้เอาไว้เช้าหลวงพ่อพูดเรื่องไตรสิกขานะบทเรียนบทเรียนที่หนึ่งเรื่องศีลศีลสิกขาเนี่ยเราเรียนจนกรทั้งใจเป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงำ วิธีที่ใจจะเป็นปกติก็คือเมื่อตาเราเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตเรารู้ทันผู้ได้ยินเสียงความยินดียินร้ายเกิดที่จิตเนี่ยมีสติรู้ทันสติเป็นเครื่องมือสําคัญนะรู้ไปด้วยใจเราไปหลงคิดนึกปรุงแต่งะก็มีสติรู้ทันะความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นเช่นอยู่ๆก็นั่งคิดนะคิดเรื่องโ น, น้นเรื่องนี้คิดถึงคนนี้ก็เกลียดที่หน้ามันขึ้นมานะเคยโกรธกันมาสิบปีแล้วอยู่ๆไปนึกถึงก็โกรธขึ้นมาอีก ให้รู้ทานใจที่มันเกิดปฏิกิริยาตอบสนองขึ้นมามันไปเห็นมันก็เกิดปฏิกิริยามันได้ยินก็มีปฏิกิริยามันไปคิดมันก็มีปฏิกิริยาขึ้นมาคอยรู้ไปรู้ไปเรื่อยๆคุณหมอตนะ้อเข้าไปอีกแล้วนะเข้าไปในความคิดละลงไปในโลกของความคิดให้เราคอยรู้ปฏิกิริยาไปจิตใจเราก็จะเป็นกลางขึ้นมาเป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงะ ประเด็นที่สองเรื่องจิตสติขาต้องรู้ว่าจิตยังไงเป็นกุศลนักกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยไม่มีราคาโทสะโมหะจิตที่เป็นกุศลมีฮิริยอตัปะละอายละอายต่อผลไ้ละอายต่อการทําบาปเนี่ยเกรงกลัวต่อผลของบาปมีฮิริโอตป ะ, ะ, ะ, ะ, ตปะจิตที่เป็นกุศลมีความเบามีความอ่อนมีความคล่องแคล่วว่องไว ไม่ถูกกิเลสไม่ถูกนิวรณ์ภาพงามจิตที่เป็นกุศลรู้ทุกสิ่งอย่างซื่อตรงๆไม่เข้าไปแทรกแซงะไม่ใช่พอความโกรธเกิดขึ้นก็พุโทโธพุโทโธให้หายโกรธอันนี้เรียนรู้แบบไม่ซื่อตรงนะเข้าไปแทรกแซงะหรือโกรธน้อโกรธน้อเนี่ยะอันนี้แทรกแซงนี่เรียนเรื่องจิตกุศลกุศลไปแล้วต่อไปเป็นจิตที่ใช้ทํามิปัสสนาจิตที่ใช้ทํำมิปัสสนากับจิตที่ใช้ทําสมถะไม่เหมือนกัน จิตที่ใช้ทำํำวิปัสสนาจริงๆถ้าพูดแบบอภิธรรมนะมันคือมหากุศ ล, ลจิตต้องมีมหาด้วยนะต่างเราดูยิ่งใหญ่จริงๆคือจิตที่เป็นกุศลนั่นแหละเรียกมหากุศ ล, ลจิตนะประกอบด้วยสมนัตเวทนาบ้างอุเบกขาเวทนาบ้างมีสองแบบแล้วนะแล้วก็ประกอบด้วยปัญญานะต้องประกอบด้วยปัญญานะแล้วเกิดโดยที่เกิดเอง ไม่ได้น้อมนําชักชวนให้เกิดพูดง่ายๆคือมหากรูโและจินยานสัมปยุตประกอบด้วยปัญญาอาสังคาริกังไม่ได้ชักชวนให้เกิดแต่มีกําลังกล้าแล้วเกิดขึ้นเองถ้าไม่มีกําลังกล้านะไม่มีแรงพอที่จะไปทําพิปัสนาจริงหรอกเช่นต้องคอยน้มนําให้เกิดนะเช่นมันไม่เห็นใจรักช่วยคิดให้มีใจรักอะไรเงี้ยในครูโสเหมือนกันนะแต่ไม่มีกําลังหรอกละกิเลสไม่ได้จริง ดันั้นจิตจริงๆเนี่ยมีอยู่จิตอยู่สองดวงเท่านั้นเองที่เราใช้ทำํำมิปัสสนาจริงๆคือจิตที่ประกอบด้วยความสุขมีความสุขนะมีปัญญาเกิดขึ้นเอกนี่ดวงหนึ่งอันที่สองจิตที่มีอุเบกขามีปัญญาเกิดขึ้นเอกอีกดวงหนึ่งสองดวงนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราหัดเจริญสติรู้สึกไหมบางครั้งใจก็เป็นกลางนุ่มนวลเนี่ยอุเบกขาบางครั้งมีความสุขโฉยขึ้นมารู้สึกไหมมีความแช่มชื่นขึ้ น, นมา เนี่ยตัวโสมนัตตัวความสุขเกิดขึ้นมีจิตสองตัวนึงแล้วเกิดเองรู้สึกไหมถ้าสั่งให้เกิดไม่ใช่ของจริงต้องเกิดเองแต่ทําไมมันถึงเกิดเองมันเกิดเองเพราะว่ามันมีเหตุเหตุที่ทําให้สติมันเกิดนะจิตเป็นกุศลขึ้นมาเองได้เนพะราะจิตมันจําสภาวะได้เช่นเราจําได้ว่าเผลอเป็นยังไงพอเผลอปับ๊บสติจะเกิดเองเราจําได้ว่าโกรธเป็นยังไงนะพอโกรธปับ๊บเนี่ยสติจะเกิดเอง เราจำได้ว่าโลกเป็นยังไงเช่นอยากปฏิบัติรู้ว่าอยากปฏิบัติรู้ว่าอยากพูดเนี่ยโลภะทั้งนั้นนะอยากพูดอยากถามอยากเข้าใจเนี่ยโลภะทั้งนั้นเลยความอยากพูดขึ้นมาเรารู้จักมันเนี่ยสติจะเกิดเองและวสติไม่ใช่สิ่งที่ใครสั่งให้เกิดได้สติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้พอ เ, เกิดขึ้นมาแล้วสติจะทำหน้าที่ของมันเลยคุ้มครองรักษาจิตใจนะ อกูศลที่มีอยู่จะดับทันทีกูสนจะเจริญขึ้นทันทีเลยศีล ส, สมาธิปัญญาจะตามมาเป็นแถวเลยนะงั้นสติเกิดขึ้นเนี่ยศีลก็มีอย่างที่พูดไปเมื่อเช้านะสติเกิดขึ้นสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตสัมมาสมาธิไม่ใช่น้อมๆเข้าไปแล้วเคลิ้มๆอยู่ข้างในนะไอ้นั้นมิจฉาสมาธินะงั้นอยากเคลิ้มนะก็มีสติ สตินี้จําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้เพราะฉนั้นต้องมีสติทําสมาธิก็ต้องมีสติห้ามเพิ่มอย่าลืมเนื้อลืมตัวเะฉะนัสติเกิดขึ้นเมื่อไหร่สมาธิตัวจริงสัมมาสมาธิจะเกิดเมื่อนั้นแต่ถ้าเป็นสติในชีวิตประจําวันเช่นเราเดินเดินอยู่ะ เห็นเพื่อนเราเดินมาใจเราดีใจตาเมาเห็นเพื่อนเรามาเราดีใจปุ๊บสติเห็นความดีใจที่ฝุดขึ้นนะความดีใจดับปั๊บเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับให้ดูเลยนะใจจะตั้งมั่นเป็นกลางขึ้นมาชั่วขณะเนี่ยสามราสมาธิอยู่ตรงนี้ใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางเนี่ยตั้งมั่นอย่างอ่อนโยนนุ่มนวลด้วยนะเป็นกลางกำลังโมโหโมโหอยู่นะกําลังเดือดเลือดคล้านอยู่สติไปเห็นรับเพ้อ ความโกรธดับทันทีเลยใจตั้งมั่นเป็นกลางรู้ตื่นเบิกบานขึาา้นมาฉับพลันเลยะจิตมันจะรู้ตื่นเบิกบานสงบสะอสว่ฉับพลันเลยเนี่ยตัวสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิชนิดนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิเป็นชนิดที่เรียกว่าคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิสําคัญมากนะเป็นสมาธิที่อาภัพด้วยเพราไม่มีใครสนใจเท่าไหร่ใครๆก็อยากได้อัปปนาออยากได้อัปปนาอัปนาเป็นที่นอนพักนะ เข้าไปนอนอยู่กับปนารพักสบายไม่รู้อะไรข้างนอกแล้วสบายข้างในแต่คณิกาสมาธิเนี่ยเป็นสัมมาสมาธิที่ใช้เจริญวิปัสนาเหมาะกับการเจริญวิปัสนามากเลยเกิดทีละขณะชื่อมันบอกแล้วว่าคณิกะเกิดทีละขณะทีละขณะเกิดแล้วก็ดับงั้นไม่ต้องคิดว่าทํำยังไงสมาธิจะต่อเนื่องยาวนานสมาธิเองเกิดดับพร้อมกับจิตทีละขณะทีละขณะ สติก็เกิดดับพร้อมกับจิตทีละขณะขณะนะไม่ทําให้ต่อเนื่องนะบางคนมาถามหลวงพ่อทํายังไงจะรู้ตัวต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ได้คําว่าต่อเนื่องขัดกับคําว่าอนิจจังที่จริงมีแต่เกิดระดับเกิดแล้ดับทีละขณะทีละขณะแต่ถ้าจิตจําสภาวะได้มากสติเกิดบ่อยพอสติเกิดทีทีนี่มันจะรู้สึกเหมือนต่อเนื่องแค่รู้สึกเหมือนเท่านะั้นไม่ต่อเนื่องจริงๆเกิดดับเหมือนแสงไฟฟ้าเนี่ยเรารู้สึกต่อเนื่อง จริงๆไฟฟ้าเกิดดับวินาทีหนึ่งห้าสิบหกสิบครั้งอะไรเนี่ยแต่ว่ามันเร็วเราก็เลยรู้สึกต่อเนื่องถ้าสติเกิดทีๆนะเราจะรู้สึกว่ารู้สึกตัวต่อเนื่องดงนั้นสัมมาสมาธิเนี่ยเกิดจากสติตัวจริงนี่แหละถ้าพอจิตมันจําสภาวะได้ปั๊บเช่นเผลอไปจําได้ว่าเผลอปั๊บใจจะตั้งมั่นขึ้นมาเองเลยจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวพูดภาษาไทยง่ายๆนะสัมมาสมาธิก็คือการที่จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวนี่เอง สัมมาสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเนี่ยเห็นไหมเมื่อมีสติขึ้นมาจิตใจก็จะตั้งมั่นมีสมาสมาธิได้เพราะว่าอะไรเพราไม่มีความสุขนะทันทีที่มีสติจะมีความสุขทันทีที่จิตมีความสุขเพราะมีสติสัมมาสมาธิจะเกิดเนี่ยเต็มไปด้วยเหตุผลนะศา ส, สนาพุทธสัมมาสมาธิคือจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนือ้อกับตัวไม่ได้บังคับนะไม่ได้บังคับหลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะอย่างนี้เรียกว่ามิจฉาสมาธินะ เช่นเราจ้องตัวเองไหมจ้องไว้ยอย่างนี้มิฉาสมาธินะมันบังคับไว้แค่สติยังต้องให้เกิดเองเลยสัมมาสมาธินี่ก็เกิดขึ้นมาเองเหมือนกันมีเหตุมีเหตุคือมันเกิดความสุขจากการที่มีสติกจิตใจมันอยู่กับเนื้อตัวมันก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญาเดี๋ยปัญญาเลยมีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิด ปัญญาคืออะไรปัญญาคือการเข้าใจความจริงของกายของใจว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปัญญาคือแค่นี้นะปัญญาไม่ใช่เรื่องอื่นอย่างปัญญาเฉลียวฉลาดทางโลกอะไรนี้เป็นการยืมคําว่าปัญญาในศาสนาพุทธมาใช้ส่วนปัญญาตัวจริงในศาสนาพุทธที่เกิดจากการภาวนาเนี่ยภาวนามาย์ปัญญาเนี่ยคือการเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์นั่นเองเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เรื่องอื่น นี้พอจิตใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวมันจะรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจทัาบความเป็นจริงได้พรมันรู้อย่างเป็นกลางใจที่ตั้งมั่นมันเป็นกลางนะไม่แทรกแซงสติระลึกรู้กายก็เห็นเลยกายไม่ใช่เราสติรู้ระลึก ร, รู้จิตก็เห็นเลยจิตนี้ไม่เที่ยงนะจิตไม่เที่ยงจิตเกิดดับจิตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นมากเข้ามากเข้าอีกเห็นจิตเป็นอนัตตาเออจิตนี้บังคับไม่ได้นะสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้ นะสั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้เกิดทางตาที่เดี่ยวก็ไม่ได้นะไปทางหูไปทางจมูกทางลิ้นทางกายนะจิตเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดสลับไปสลับมาเลือกไม่ได้นะเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้เรียนเพื่อให้เห็นอย่างนี้รู้สึกไหมคนที่นั่งแถวที่สองอะ่ะเดี๋ยวก็ฟังใช่ไหมเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวดูหน้าหลวงพ่อหน่อยนึงเดี๋ยวฟังแล้วก็คิดสลับไปสลับมาดูออกไหมเนี่ยธรรมะอยู่ตรงนี้เอง เราไปหาธรรมะที่อื่นไม่เจอนะธรรมะอยู่ที่กายกับใจของเรากายกับใจเป็นครูสอนธรรมะเราคนอื่นสอนไม่ได้หลวงพ่อก็สอนไม่ได้นะเพระพุทธเจ้าเองท่านบอกว่าท่านเป็นผู้บอกทางท่านก็ให้ธรรมะเราไม่ได้นะท่านบอกทางให้เราทางที่ท่านบอกให้โอปนัยิโกน้อมมาดูตัวเองมารู้กายมารู้ใจแล้วกายกับใจจะสอนธรรมะสอนใจรักให้ดูพอเราเห็นลงมาเรื่อยๆนะเออ จ Hoy ิตใจนี้เปลี mm ่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจห้ามมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปคิดเลยห้ามไม่ได้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายห้ามไม่ได้เลือกไม่ได้เห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นอนัตตาพอเห็นจะแจ่มแจ้งคนนี้รู้ความจริงแล้วมีปัญญาแล้วเออกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราหรอกกายนี้ร่างกายก็เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุจิตใจก็เป็นธาตุเหมือนกันเรียกว่าวิญญาณธาตุมโนธาตุ เกิดดับไปเรื่อยๆสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ไม่มีตัวเรานอกกายนอกใจนี้เห็นอย่างนี้เรียกว่าละสักกายทิฐิได้ได้เป็นพระโสดาบันแล้วพอเป็นพระโสดาบันเนี่ยเพราะว่ามีปัญญานะเห็นความจริงเลยกายนีใจนี้ไม่ใช่ตัวเรากายนี้ใจนี้เป็นของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงสาวนอะไรเห็นอย่างนี้ เห็นด้วยทุกสิ่งที่เกิดล้วนได้ดับทั้งสิ้นนี่พระโสดาบันเห็นอยู่แค่นี้แหละเห็นอย่างนี้ท่านเรียกว่ามีปัญญาเบื้องต้นใชแค่เบื้องต้นนะแค่เบื้องต้นก็ปางตายแล้วกว่าจะเห็นนะ <c oughs> นี่เราก็ดูกายดูใจต่อไปอีกนะดูไปเรื่อยต่อมาจิตมันตัดอีกครั้งหนึ่งมันแหวกอสวะที่ห่อหุ้มจิตใจอยู่นะจิตใจไปอิสระขึ้นชั่วคราวอีกแว บ, บหนึ่งอันี้สติจะเร็วนะ ท่านถึงสอนบอกว่าพระสะกิทาคามีนะมีศีลบริบูรณ์ศีลเนี่ยบริบูรณ์ตั้งแต่เป็นพระโสดาละแต่พระโสดาเนี่ยนะมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยจิตพระโสดายังแสบใสเหมือนจิตปุถุชนนี่แหละสายไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแนละ้ววิ่งพล่านๆเหมือนกันเลยนะไม่ได้ต่างอะไรออกไปหลงอารมณ์ก็หลงได้นะหลงได้นานด้วยแต่พอเป็นพระสะกิทาคาเนี่ยตัดครั้งที่สองอะสติเร็ว ใจไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกเรื่อยๆเะฉนั้นกิเลสมันจะเบาบางกิเลสมันจะไม่รุนแรงเพราะสติมันเร็วนะท่านถึงบอกว่าถ้าสกิทาคาเนี่ยศีลบริบูรณ์สมาธิปานกลางใจมันตั้งมั่นตั้งมั่นมากขึ้นไม่ค่อยส่ยส่ก็ใส่แวบๆรู้สึกแล้วแวบรู้สึกตั้งมั่นแล้วสกิทาคาก็ยังมีปัญญาเล็กน้อยแม้สกิทาคายังเล็กน้อยเลยนะเราก็ตามดูกายดูใจต่อไปอีกมันตัดครั้งที่สามแล้ว ท่านบอกว่าท่านนาคาเนี่ยท่านาคามีนะมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลางทําไมมีสมาธิบริบูรณ์ใจตั้งมั่นโดยไม่ต้องรักษาใจไม่แฉลบซ้ายแฉลบขวาไม่ไปเพื่อเพลินในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่เพืิดเพลินไปกับการคิดถึงอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายคือไม่ไปไปหลงตัวกามคุณอารมณ์หรือเป็นตัวกามสัญญาไปคิดถึงมันนะ ก็ไม่ตึกถึงมันไม่เพลิดเพินในกัอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายนี่ไม่ว่าจะสัมผัสจริงๆหรือขี้เ n า w นะไม่เอาไม่สนใจทําไมจิตมันไม่สนใจอย่างนั้นเพราะจิตมันฉลาดมันมีปัญญาผ่านกลางมันรู้ว่าถ้ามันส่งออกนอกไปไปอยากไปยึดอารมณ์มันจะทุกข์ถ้ามันไม่ส่งออกนอกไม่อยากไม่ยึดมันจะไม่ทุกข์นี่นึกว่าเข้าใจธรรมะนะนี่เข้าใจป่านกลางจิตยังมีสองชนิด จิตที่อยากที่ยึดเราทุกข์จิตที่ไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกขนะ์ผู้ปฏิบัติมาถึงตรงนี้ก็จะคิดว่าเราก็เข้าใจธรรมมาของพระพุทธเจ้าแล้วนะเข้าใจอริยสัจจริ ง, รงๆไม่เข้าใจหรอกพรนะพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนะท้านบอกขันห้าเป็นทุกข์ท่านชี้ขาดอย่างนี้เลยงั้นะตราบใดที่เรายังเห็นมรรขันนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนะยังปล่อยวางไม่ได้จริงนะงั้นภาระของพระนาคายังมีอีก แต่ส่วนใหญ่ไปไม่รอดแล้วถึงตรงนี้เพราะว่ามันมาอยู่ที่จุดที่สบายแล้วอยู่ที่จุดที่รู้สึกปลอดภัยจิตใจอยู่กับตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีแต่ความสุขทั้งวันเลยนะมีความสุขมากเพราะมันไม่มีราคะโทสะหยับหยับสบายโทสะเนี่ยไม่มีเลยไม่มีความขัดใจเล็กๆกน้อยๆยไม่มีแต่ว่าต้องเฝ้ารู้ไปอีกคราวนี้การรู้มันจะบีบตัวเข้ามามารู้อยู่ที่จิตแล้ว พรามันไม่สนใจของข้างนอกแล้วไม่สนใจในการมักคุณอารมณ์ทั้งหลายไม่บีบตัวเข้ามาวงรอบของมันเล็กลงมาคล้ายๆเรียนแบบด็อกเตอร์คนที่เรียนประถมเรียนวิชาอะไรเยอะแยะใช่ไหมเรียนมัธยมก็เรียนเยอะพอมัธยมเริ่มจะแยกสาขาละเริ่มเรียนน้อยลงแหละแต่ลึกขึ้นแล้วปริญญาตรีก็เรียนเฉพาะวิชาของตัวเองนะก็แคบลงมาอีกแต่ก็ยังมีวิชาเยอะใช่ไหมเรียนด็อกเตอร์เรียนนิดเดียวนั่นหอกไหม เรียนจุดเ ล, ลเล็กลงเล็กลงเล็กลงการปฏิบัติก็เหมือนกันเราจะบีบวงกระชับเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาหาจิตหาใจนี่เองในที่สุดจะเรียนรู้อยู่ที่จิตอันเดียวะถึงจุดนี้บางท่านเกิดปัญญาแก่รอบขึ้นมาเห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างที่พูดแต่เกียบางท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์นะตัวผู้รู้นี่เป็นทุกข์บางท่านเห็นว่ามไม่ใช่ตัวเราแล้วคืนไปเลยนะถือไว้ก็อย่างนั้นเองคล้ายๆยืมสมบัติเข้ามาใช้ ขี้เกียดถือไว้แล้วก็โยนทิ้งจิตมันวางทิ้งนะมันสลัดทิ้งเรียกว่าปฏินิสักะการสลัดคือสลัดขันห้าคือในโลกเข้าไปพอเรามีปัญญาแจ่มแจ้งอย่างนี้ท่านถึงสอนบอกว่าพระอรหันต์เนี่ยมีศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์คืออะไรรู้อริยสัจนั่นเองอริยสัจข้อแรกคือรู้ทุกขันห้าเป็นทุกขเห็นจริงๆว่าขันห้าเป็นทุกขพอเห็นจริงๆว่าขันห้าเป็นทุกขเนี่ยหมดสมูทัยเลย หมดความอยากที่จะให้ขันนี้เป็นสุขหมดความอยากที่จะให้มันดีหมดความอยากจะให้มันสงบไม่มีความอยากอีกแล้วใจมันเลิกดิ้นเลยนะสมูทัยถูกตัดไปใจที่มันไม่ดิ้นรนมันเข้าถึงสันติสุขสันติสุขเป็นชื่อของนิพพานไม่ใช่ชื่อดารานะอ่เป็ชื่อของนิพพานจิตใจที่มันปลอดจากตัณหาสำรอกตัณหาหมดสิ้นแล้วเนี่ยมีความสุขยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความสุขแต่ขันเนี่ยมีแต่ความทุกข์ ขันยังมีความทุกข์นะไม่ใช่ขันไม่ทุกข์นะอใจที่พ้นขันนะมันไม่ทุกข์นี่ภาวนาไปนะใกล้จบแล้วนี่เนาะเสร็จแล้วเข้าใจเราเข้ามาถึงตรงนี้เราจะรู้จักรู้จักนิพพานมีวิมุติญาณทัศนะรู้จักนิพพานนิพพานไม่ได้เกิดขึ้นใหม่ไม่ใช่ของเก่าไม่ใช่ของใหม่นิพพานไม่ได้อยู่ไกล ไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่พระไม่ได้อยู่ที่ไหนนิพพานเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตานี้แหละแต่ใจซึ่งไม่มีคุณภาพมันไม่เห็นนิพพานจิตใจระดับใดมันก็เห็นธรรมะระดับนั้นสังเกตไ้ยบางวันจิตใจเราหดหูนะโลกทั้งโลกหดหูไปเลยนะเห็นอะไรก็หดหูหมดเลยวันใดจิตใจเราเบิกบานแจ่มใสโลกทั้งโลกแจ่มใสเลยวันใดใจของเราไม่มีตัณหาเราจะเห็นนิพพาน ใจมันมีคุณภาพระดับใดมันก็เห็นธรรมะระดับนั้นเพราะงั้นความสิ้นตัณหานี่แหละก็จะเข้าไปถึงนิพพานสิ้นตัณหาได้เพราะรู้ทุกทุกคืออะไรคือขันห้าคือกายกับใจหน้าที่ของเราต้องรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงเครื่องมือที่จะรู้กายรู้ใจได้เรียกว่าสติร่างกายเคลื่อนไหวสติเกิดขึ้นเองรู้ทันว่ารูปมันเคลื่อนไหว จิตใจเคลื่อนไหวสติระลึก <enough> ขึ้นได้เองระลึกได้ว่านามมันเคลื่อนไหวทำไมมันระลึกขึ้นได้เองเพราะจิตมันจําสภาวะได้มันจําได้ว่าอ้อรูปที่เคลื่อนไหวเป็นอย่างนี้รูปที่หยุดนิ่งเป็นอย่างนี้รูปที่พองที่ยุบรูปที่หายใจเข้าหายใจออกรูปที่คู่รูปที่เหยียดเป็นอย่างนี้สติจะเกิดเองหรือมันจาได้ว่าโลภโกรธหลงเป็นอย่างนี้กูศนเป็นอย่างนี้นะสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเป็นอย่างนี้อย่างนี้ สติจะเกิดเองงั้นหน้าที่หัดรู้สภาวะนะเบื้องต้นของการปฏิบัติจริงๆหัดรู้สภาวะไว้นะเมื่อเช้าช่วงปลายๆหลวงพ่อพูดไว้นิดหนึ่งแล้ววิธีหัดรู้สภาวะเบื้องต้นทํากรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนนะไม่ใช่ทิ้งกรรมฐานนะ AI เอ๋อคือจะไปหาความว่างใช้ไม่ได้นะบางคนบอกว่าจะไปทําความว่างจะไปดูความว่างพระพุทธเจ้าไม่ได้สอน พระพุทธเจ้าสอนให้ดูกายกายานุปัสสนาดูเวทนาเวทนานุปัสสนาดูจิตจิตตานุปัสสนารู้สภาวะธรรมทั้งรูปทั้งนามนี่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาไม่มีสุญญตานุปัสสนานะไม่มีสุญญตานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะงั้นอย่าไปน้อมใจเข้าหาความว่างการน้อมใจเข้าหาความว่างไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนของพวกอรูปปัจผมที่จะไปสู่อรูปปัมน้อมใจเข้าหาความว่าง ที่จริงมันคือน้อมก็หาช่องว่างช่องว่างไม่ใช่มหาสุญญตานะช่องว่างคนละอันกันเลยมันคืออากาศสานัญจายตนะคนละอันกับมาหาสุญญตาเราเป็นนึกว่าไอ้ที่ว่างๆนี่ยคือมหาสุญญตาไม่ใช่นะคนละเรื่องกันเลยมหาสุญญตาเป็นตัวนิพพานทำไมนิพพานเปไ็นยังไงนิพพานว่างแต่ว่างไม่เหมือนอากาศสานัญจายตานะไม่เหมือนช่องว่าง ว่างแบบไม่ใช่ไม่มีอะไรด้วยนะว่างแบบไม่มีอะไรเรื่องอากินจันยายตนะไม่มีอะไรคนละแบบแบบว่างแบบนั้นยังเป็นว่างปลูงแต่งไม่ใช่ของแท้เห็นเบื้องต้นทากรรมฐานอะไรก็ไดนะ้คนไหนถนัดรู้กายก็อาจรู้กายไปนะเช่นรู้ลมหายใจรู้ท้องฟองยุบนะรู้ไปหลวงพ่อยกเป็นตัวอย่างนะจริงๆอะไรก็ได้ในกายเนี้ย รู้ลมหายใจรู้ท้องของยุบไปจิตหนีไปคิดรู้ว่าหนีไปคิดไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามแต่เราจะเรียนรู้สภาวะว่าจิตหลงไปเป็นยังไงจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องเพ่งอยู่ที่ลมเป็นยังไงคุณหมอที่ฉาเชิงเซาวรู้สึกไหมมันติดเพ่งนะอย่างที่ทำเมื่อเช้ามันคือการเพ่งมันน้อมใจเข้าไปน้อมเข้าไปเพ่งไว้ข้างหนการเพ่งนะได้สมถะจะขวางการเดินปัญญา งั้นออกมานะออกมาอยู่มารู้สึกข้างนอกเนี้ยธรรมดาธรรมดาหลวงพ่อเคยผิดหลวงพ่อช่วงหนึ่งนั้นชอบดูเข้าไปข้างในนะเขาไปลึกเลยนะลึกมากเลยวันนึ่งไปเจอหลวงปู่สิมเขาใครเคยรู้จักชื่อหลวงปู่สิมพุทธาจารโรวะหลวงปู่สิมภาวนาเก่งมากนะตรงนี้ยจิตใจก็ปราดเปรียวมากเลยใครคิดอะไรนี่จั่วเอาซึ่งซึ่งหน้าเลยไม่ไว้หน้าใครเลยนะยิ่งตอนท่านใกล้มรณะภาพนะ แบบสอนแบบไม่ไม่อยากไว้หน้าแล้วนะฉีกหน้ากันเลยหลวงพ่อไปเจอหลวงปู่สิมขึ้นไปกราบท่านแต่ท่านมองหน้านะท่านก็แสวอ่ะผู้รู้ผู้รู้ท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เจอทีใดชอบเรียกว่าผู้รู้ผู้รู้ด้วยผู้รู้ผู้รู้ออกมานอกน่องนี่เอ๊ะเราก็วงนี่หลวงปู่ดูลบอกอย่าส่งขี่ดอกนอกท่านบอกให้ออกมานอกน่อท่านออกมานอกน่อนี่กิเลสมันอยู่นอกน่อนี่ ท่านก็สอนแค่นี้นะไม่พูดอะไรยิ้มยิ้มกว่าจะรู้ว่าอ๋อเราไปหลงสร้างพบภายในอยู่หลวงปู่ดุลก็ไม่ได้สอนเลยว่าให้ส่งใ น, นท่านบอกอย่าส่งนอกเราก็ผ่าส่งในเลยน ะ, ละกลับข้าง <c oughs> ไปเจอหลวงปู่เทศหลวงปูเงป่เทศสอนใหม่ไม่ส่งนอกไม่ส่งในเราก็ประคองไว้ตรงกลางนะ <c oughs> หาเรื่องทําจนได้อะนะหาเรื่องปรุงจนได้อะ <c oughs> พอมาถึงยุคหลวงพ่อปราโมทบอกว่าประตรงกลางก็ไม่ประคองนะไม่ทําอะไรหรอก เราก็คิดว่าทํายังไงจะไม่ทําได้อหาทางทําจนได้อะนะไม่ว่าจะพูดเรื่องอยังไงอย่าไปทํามันทุกอย่างที่เราทําขึ้นมาเนี่ยไม่มีอะไรเกินกว่าการบังคับกายบังคับใจสังเกตไหมที่ทํากรรมฐานทั้งหลายคือบังคับกายบังคับใจเท่านั้นเองะร่างกายเคยเคลื่อนไหวธรรมดาก็ทําให้ไม่ธรรมดาจิตใจเคยเคลื่อนไหวธรรมดาก็ไม่ให้มันเคลื่อนไหวเป็นแต่เรื่องบังคับล้วนๆเลยอันนี้เรื่องอัตตากิมัฏฐานโยก มันขับนิ่งๆทื่อๆไม่เห็นของจริงไตรลักษณ์มันแสดงไม่ได้เพราะมันนิ่งไปแล้วติดสมถะให้คอยดูเอานะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยใจเย็นๆไม่ต้องคิดว่าเมื่อไหร่จะเจริญสติได้เมื่อไหร่สติจะเกิดไม่ต้องคิดเรื่องนี้หรอกนะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยหายใจไปก็ได้หายใจไปแล้วใจแอบไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งลมหายใจก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศ ล, ลอะไรขึ้นมาคอยรู้ไปเรื่อยหัดรู้ไป นะเดินจงกรมก็ได้นะเดินไปใจเข้าไปเพ่งเท้าเนี่ยไปเพ่งยกเท้าย่างเท้าล้วรู้ทันว่าใจเข้าไปเพ่งแล้วใจแอบไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าไปคิดแล้วใจเป็นสุขเป็นทุกข์มีปีติมีอะไรขึ้นมาคอยรู้อย่างที่มันเป็นรู้ไปเรื่อยหัดรู้สภาวะไม่ได้ทำอย่างอื่นนะทำหน้าที่เดียวหัดรู้สภาวะไปพอเราเห็นสภาวะซ้าแล้วซ้ำอีกซ้าแล้วซ้าอีกเนี่ยสติจะเกิด ปาสติเกิดเนี่ยศีลสมาธิปัญญาวิมุตตวิมุตต์ญาณทัศนาจะเกิดอย่างที่เล่าให้ฟังตะกี้ยันต้นทางมีนิดเดียวหัดรู้สภาวะจบแล้วเนาะจบแล้วอ้าวตอนนี้จะตรวจกันบ้านลนะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ เ, อเบอร์เก้าเป็นยังไงเจอภาวะที่รอบถอนหางใจแล้วค่ะอย่างนั่งฟังธรรมะของพ่ออยู่ก็ยัง ทอนหายใจแล้วมีความรู้สึกว่าทีแรกเข้าใจว่าเหนื่อยกับงานครั้งแรกที่รู้สึกพอรู้ต่อไปงานไม่ได้เหนื่อยเออไม่ใช่พอต่อไปเออหรือว่าเราเผลอบริกรรมพองยุบ ก, ก็ไม่ใช่เพราะมันอยู่ตรงกลางหน้าอกพอกลับมาดูเนี่ยมาสังครูปก็ยังระว่างที่ฟังอยู่นะี่คะมีลนั้นุบมาเป็นก้อนจากหน้าอกขึ้นมาแล้วจิตมันบอกว่าเป็นขียิผืนผ้านะเจ้าคะ่ะไม่ทราบว่าผมแต่งป่ ก็ก็ดูเฉยเฉยเจ้าค่ ะ, อะเออด้่ยแล้ดูแฟดูสภาวะทั้งหลายเขาทํางานไปสภาวะทั้งหมดจะสอนใจรักรู้สึกไหมมันทํางานเองค่ะแค่นั้นพอละอมไม่ต้องคนกว้านะสภาวะทั้งหมดแสดงใ่รักให้ดูเพราะฉะนั้นกระทั่งกิเลสกิเลสก็เป็นครูของเรานะอย่าไปเกลียดกิเลสนะเกลียดกิเลสคือเกลียดครูนะ ครูสก็เป็นครูของเราคนหนึ่งกิเลสก็เป็นครูอีกคนหนึ่งเขาแสดงไตรลักษณ์เท่าๆกันบางคนกลัวกิเลสพยายามบริกรรมไม่กลัวกิเลสจะเกิดและไม่ไม่เข้าท่าเลยนะแท้จริงกิเลสดูเหมือนน่ากลัวแต่การที่กิเลสมันผุดขึ้นมามันเคลื่อนไหวมันแสดงตัวขึ้นมาเนี่ยด้านหนึ่งมันเหมือนจะทําร้ายเราได้อีกด้านหนึ่งมันแสดงจุดอ่อนของมันให้เราเห็นทันทีที่กิเลสเคลื่อนไหวกิเลสได้แสดงจุดอ่อนแล้ว มันแสดงใจรักนึกออกไหมเอ๊ะอยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาอยู่ๆมันก็หลงไปนี่ไม่ได้เจตนาจะหลงนะนี่มันทํางานของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมเพราะงั้นไม่ต้องกลัวนะที่จริงแล้วถ้ามันหยุดนิ่งเน่ยมันน่ากลัวถ้ามันเคลื่อนไหวทํางานเนี่ยไม่น่ากลัวหรอกมันจะมีใจรักให้ดูหลวงพ่อแต่ก่อนสมัยเป็นนักศึกษาเนี่ยหลวงพ่อเล่นกระบี่กระบอก ลำท่าโน้นท่านี้นะตีได้หลายท่านะฝึกทุกวันเลยสนุกมากเลยเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ไปเจอความจริงข้อหนึ่งท่าเบสิกก็ดีที่สุดเลยหลวงพ่อเห็นมาจากเพื่อนหลวงพ่อคนหนึ่งนะไอ้คนนี้นะเล่นดาบได้ท่าเดียวนะตีหัวคนอื่นอยู่ๆก็ยื่นมือไปตีหัวเขาเฉยๆอ่ะนะแล้วก็สังเกตมันตีเข้าไปได้ยังไงไอ้คนนี้แปลกไม่มีท่าอื่นเลยนะไอ้คนนั้นก็ยื่นหัวให้เขาตีทุกทีอ่ะ มันไม่เข้าโจมตีก่อนคนนี้มายืนเฉยๆนะอพออีกฝ่ายหนึ่งขยับตัวจะเข้าโจมตีขณะที่เขาตั้งการ์ดอยู่ปกติเนี่ยจะเป็นจุดที่ไม่มีช่องโหว่เลยเวลาตั้งการ์ดอยู่เพรา ะ, ะเราจะเข้าโจมตีคนที่เขาตั้งการ์ดอยู่เฉยๆนี่ยหาจุดอ่อนเขายากแต่ถ้าพอเขาเคลื่อนไหวปุ๊บนี่นะจุดอ่อนทั้งตัวเลยกิเลสนี้เหมือนกันนะถ้ากิเลสมันซ่อนตัวเงียบๆอยู่ในใจเรานะหาจุดอ่อนมันไม่เจอนะ วันไหนเผลอมันก็โผล่เราทิ้งเผลอมันก็ออกมาโผล่เราทิ้งแต่ถ้าเรารู้ทันระดีเรตไว้ตัวขึ้นมาอ๋อนี่ทํางานเองอะ่ะไม่ใช่เราซะหน่อยนะเออมันกโกรธไม่ใช่เรากโกรธมันโลภไม่ใช่เราโลภมันหลงไม่ใช่เราหลงนะใน เ, เจออย่างนี้เข้าหลายหลายทีนะมันฟอตายไปเองจะไปกลัวกันนะต้องใจถึงถึงห้ามไม้ดิ้นรดน้อยลงครับอืมแล้วจิตเป็นยังไงตอนนี้มันติดเต็ม ตื่นเต้นแล้วทํายังไงมันไม่ได้รู้ทันหรอกมันไปประคองไว้ทื่อๆดูออกป่าวนะรู้สึกไหมใจไม่เบิกบานใจแข็งทื่อนั่นแหละนะไปบักคับไว้อ้าอาจารย์ปูรู้สึกว่ามันชอบลอยไปเกาะอยู่กับความ ค, คิดนะคะเกาะจิตนะหลงไปในในโลกของความคิดมากที่สุดเพราะงั้นะบางคนนะเรียนแค่ว่าเผลอเรารู้เผลอเรารู้เรียนแค่นี้พอแล้วนะ เพราะเผลอเป็นสภาวธรรมที่เกิดบ่อยที่สุดี่ในสภาวธรรมทั้งหลายเนี่ยมีฝ่ายกูศ่และอกูศลสภาวธรรมฝ่ายกูศ่เกิดน้อยอกูศ่นเกิดมากถ้าเราภาวนาแล้วรู้สึกไหมอกูศลเยอะกูศ่นน้อยอกูศ่นเกิดทีหนึ่งเกิดยาวๆวนานกูศ่นเกิดทีเรแวบเนี่ยนานนานแวบสัทีด้วยดังน้กูศ่นเกิดน้อยอกูศ่นเกิดมากเพราะเราเรียนอกูศลนน่ะดีเพราะมีมากมีให้เรียนมาก อกุศลโลภโกรดหลงเนี่ยหลงมีมากที่สุดะเพราะโลภกับโกรดจะเกิดได้ต้องอาศัยหลงทั้งนั้นถ้าเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าใจหลงนะเราภาวนาได้ทั้งวันเลยมันหลงทั้งวันเนี่ยรู้สึกไหมมันหลงไปหลงไปการหลงก็มีหกแบบหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นริมรสหลงไปสัมผัสทางกายหลงไปคิดหลงทางใจคือหลงคิดเกิดบ่อยที่สุดดูออกไหมงั้นครูบาอาจารย์บางองค์นั้นท่านบีบลงมาถึงที่การหลงคิด หลวงปูดูลบอคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้เนี่ยหลวงพ่อเจียนก็สอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางการปฏิบัติถ้ารู้ว่าจิตคิดก็คือไม่หลงคิดแต่ใจเราชอบหลงคิดนะอาจารย์คาเขียนท่านเรียกลักคิดแอบไปคิดอ่ะคิดทั้งวันเพราะฉะนั้นการที่จิตหลงทางใจไปคิดคือสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดเพราะฉะนั้นมันเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดถ้าเรารู้ทันสภาวะชนิดนี้นะสติจะเกิดทั้งวันเลย งั้นบีบบอลลงมาแค่นี้เรียนรู้มันตัวเดียวนี่แหละพอเลยเรีนรู้จิตที่เผลอไปกับจิตที่รู้สึกตัวเผลอแล้วรู้สึกเผลอแล้วรู้สึกอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อผู้เองนะในพระไตรปิฎกก็สอนวิธีนี้ไว้เหมือนกันในจิตตานุปัสสนาท่านจะสอนจิตเป็นคู่ๆเรียนคู่เดียวก็พอล้คนไหนที่โมโหดูจิตที่มีโทสะกับจิตไม่มีโทสะจะเห็นเลยเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธนะลมพัดมาถูกตัวหน่อยก็โกรธนะ เช่นอากาศมันเย็นลมพัดมาโดนนี่โมโหอยู่ในห้องสบายๆเดินออกนอกห้องแดดกระทบเปลือกตาโมโหแล้วโมโหได้ตลอดอะ่ะนั้นถ้าเราดูคนในขี้โมโหก็ดูจิตมีโทสะดูคู่เดียวพ อ, อรู้ว่ามีโทสะพวบโทสะดับกลายเป็นจิตไม่มีโทสะแต่เดี๋ยวก็มีอีกมีอีกก็ดูอีกในที่สุดจะเกิดปัญญาจิตที่มีโทสะก็ไม่เที่ยงนะห้ามก็ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้ จิตที่ไม่มีโทสะนะสั่งให้เกิดก็ไม่ได้นะมันเกิดเอง <Yeah. S 1> หรือจะเรียนคนไหนโลภมากมีราคามากความจริงมีราคามากทุกคนแหละ <Yeah. S 1> แต่เราเมองไม่ออกราคาตัวสำคัญคือตัณหาหกอย่างตัณหาหกอย่างคืออยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากรู้สัมผัสทางกายอยากรู้อารมณ์ทางใจ <Yeah. S 1> ความอยากตักดันจิตไปทางหกช่องทางเห็น <Yeah. S 1> ไหมส่วนมากมีเรื่องแต่อายตนะหกเไหม อะไรๆก็ลงอายตนะหกอันนั้นนะความอยากก็มีหกอันทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเกิดทั้งวันนะเช่นนั่งอยู่ได้ยินเสียงอะไรแกล้งข้างหลังอยากดูละอยากดูได้ยินเขาคุยกันผัวเมียเขาคุยกันอยู่ข้างบ้านอยากฟังตั้งใจฟังเนี่ยความอยากมันเกิดฟังธรรมะของหลวงพ่อปราโมน้นแล้วฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอยากรู้เรื่องนี่อยากรู้เรื่องนี่ก็อยากนะถ้าความอยาก ผุดขึ้นมาในใจเรานะไม่ว่าจะอยากอะไรผุด ข, ขึ้นมาเราก็รู้ทันแล้วก็จะเห็นความอยากนี่เราไม่ได้เจตนาอยากนะมันอยากเองเออพอมันผุดขึ้นมาเราพอรู้ทันมันก็ดับเองไม่มีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมีพวกร่มมากก็ดูความอยากไปนะส่วนพวกคนทั่วๆไปก็ดูความหลงไปใจเราหลงทั้งวันน่ะเดี๋ยวหลงไปดูเดี๋ยวหลงไปฟังเดี๋ยวหลงไปดมกลิ่นลิ้มรสหลงไปสัมผัสเดี๋ยวหลงไปคิดคำว่าหลงหมายถึงอะไรคำว่าหลงหมายถึงลืมกายลืมใจตัวเอง ในโลกนี้มีแต่คนที่ลืมตัวเองลืมกายลืมใจทั้งวันนะมัวแต่รู้เรื่องที่คิดคือมัวแต่รู้อารมณ์บัญญัติมัวแต่รู้เรื่องที่คิ ด, คคดลืมกายลืมใจที่เป็นอารมณ์ประมัดเพราะนั้นคนทั้งโลกมีแต่คนหลงไม่ได้แกล้งว่านะของพ่อพูดแบบโง่โง่ซื่อๆนี่แหละพูดแบบจริงใจเลยถ้าเรียนสักพักหนึ่งจนสติตัวจริงเกิดจะรู้เลยว่าตลอดชีวิตเราเราหลงตลอดเลยนะหากคนรู้สึกตัวนิหาไม่ได้เลย ถ้ารู้สึกตัวหนึ่งๆต้องมีท่าริยาเกิดขึ้นอีกเยอะเลยแล้วถ้ามีสติขึ้นมานะยังไงก็ต้องได้มรรคผลกันบ้างแหละแต่ว่าคนในโลกทั้งเยอะแยะทําไมไม่บรรลุมรรคผลเพราะไม่มีสติตัวจริงไม่ได้รู้สึกตัวมีแต่หลงหลงไปทางไหนหลงไปคิดเน่ยเยอะที่สุดเลยสังเกตดูสินั่งฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมฟังไปคิดไปไม่ได้ฟังอย่างเดียวดูออกไหม ฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปสลับไปเรื่อยๆดูออกไหมต่อไปนี้เราปรับการดูนิดหนึ่งจิตไปฟังรู้ว่าฟังจิตไปคิดรู้ว่าจิตที่ผ่านมาน่ะมัวแต่รู้เรื่องที่ฟังมัวแต่รู้เรื่องที่คิดไม่รู้ว่าจิตไปฟังไม่รู้ว่าจิตไปคิดถ้าเมื่อไร่รู้ว่าจิตไปฟังเมื่อไรรู้ว่าจิตไปคิดเนี่ยรู้อารมณ์ประมัติเมื่อกี้จิตไหลเผลอไปดูออกไหมเออมันเผลอไปเนี่ยเผลอไปแล้วเบิกก้าว นั่นผัดไปน้องก็เผลออีกแล้วรู้สึกไหมรู้อย่างว่าหลวงพ่อไม่ได้แกล้งว่าไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกหลายคนทำกรรมาฐานแทบตายเลยทำแล้วก็เครียดเครียดหนักๆแน่นๆไปนะก็ไม่ใช่รู้สึกตัวนั่นนั่งบังคับตัวเองอยู่ค่อยๆฟังนะธรรมะมันเยอะหลือเกินต้องค่อยๆเรียนไป ฟังเที่ยวเดียวไม่รู้เรื่องก็เอาซีดีไปฟังซีดีก็แจกให้ฟังนะนั้นแจกแล้วพยายามฟังหน่อยฟังแล้วก็อย่าเพิ่งใจดีเอาไปให้ใครนะฟังแล้วก็เก็บไว้ก่อนแล้วมาหัดดูกายดูใจของเราหัดเจริญสติไปแล้วอีกสองสาเดือนมาฟังใหม่ความรู้ความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมหลวงพ่อก้าท้านะถ้าปฏิบัตินะแต่ถ้าไม่ปฏิบัติฟังกี่ทีก็เหมือนเดิมคือไม่รู้เรื่องเพราะฉนั้นอย่ามาฟังซีดีหลวงพ่อให้รู้เรื่องเลยไม่มีใครรู้เรื่องหรอก ฟังนะเพื่อจะหาวิธีปฏิบัติคือให้มาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจมาหารู้สภาวะไปแล้วเสร็จแล้วไปฟังซีดีหลวงพ่อใหม่จะรู้เรื่องแล้วก็มาทำต่อมาดูกายดูใจต่อไปนะใจเผลอไปก็รู้ใจไปทำอะไรก็รู้ ร, รู้ไปเรื่อยๆ อ, อีกสองาเดือนไปฟังใหม่ความรู้ความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วอันนี้ท้านะท้าให้หลองพิสูจน์ไม่ได้ชวนให้เชื่อนะ เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ทาให้ที่สุดคำว่าเอหิปัสสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดหลวงพ่อก็แค่บอกว่ามาลองดูสิมาลองรู้สึกกายมาลองรู้สึกใจตามที่มันเป็นไม่ใช่ให้เพ่งกายเพ่งใจนะหลายคนปฏิบัติมาตั้งเป็นสิ1สิบปียี่สิบปีบางคนได้ยานเ0็1ร้อย้อยยานนะีคุณิธินาศอนะไรเนี่ยได้ยานตั้งรนะ้อยหกสิบแแต่ว่ากิเลสเหมือนเดิมอะ อย่างนี้ต้องทบทวนแล้วนะมันเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้เก่งแล้วนะไหนวันไหนหลวงพ่อเหนื่อยเหนื่อยให้สอนแทนเบอร์ยี่สิบแปดทำอะไรอยู่เมื่อกี้นี้ทําอะไรโอ้ตอบถูกแล้วเห็นไหมเริ่มเห็นสภาวะหนึ่งอันแล้ะใจลอยถูกต้องใจลอยใจลอยเนี่ยความเลื่อนลอยอะก็คือลักษณะของความขาดสตินั่นเองสติเป็นความไม่เลื่อนลอย อย่างเมื่อกี้ลอยไปอีกรูปหนึ่งแล้วทราบไหมเนี่ยลอยอีกรูปหนึ่งแล้วรู้ไหมงงแล้วทราบไหมเนี่ยความสงสัยความงงเกิดขึ้นรู้ว่างงนะรู้ลงไปจะเห็นเลยความงงเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปนะอะไรอะไรเกิดแล้วก็ดับหมดเลยนะเบอร์เจ็ดสิบห้าเบอร์เจ็ดสิบห้าเมื่อกี้ทําอะไรแต่กี้นี้ทําอะไรอยู่ออฝั่งเราก็คิด แต่ว่าโยมรู้เรื่องที่คิดนึกออกไหมเวลาฟังแล้วเราคิดนะเรารู้เรื่องที่คิดถ้าจะเก่งๆนะฟังรู้ว่าฟังคิดรู้ว่าคิดพอคิดแล้วรู้ว่าคิดนะจะฟังไม่รู้เรื่องเลยจะฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่รู้ทันจิตว่าจิตไปฟังรู้ทันจิตว่าจิตไปคิดอันนี้แหละเรียกว่ากรรมฐานเพราะฉะนั้นธรรมะหลวงพ่อถึงพูดอย่งนไม่ต voilà. ้องฟังหลวงพ่อให้รู้เรื่องนะหลวงพ่อพูดเป็นเพื่อนพวกเราท่านั้นเอง เพพูดเป็นเพื่อนพวกเราเพื่อให้พวกเราหัดสังเกตสภาวะในจิตใจของตัวเองะฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดเบอร์เจ็ดสิบห้ารู้สึกไหมฟังแล้วก็คิดให้แค่รู้ทันเท่านั้นแค่รู้ทันออกจิตไปฟังแล้วจิตไปคิดแล้วโดยเฉพาะรู้ทันว่าจิตไปคิดดีที่สุดเลยหลวงพ่อเจีนบอกถ้ารู้ว่าจิตไปคิดนะได้ต้นทางต้นทางการปฏิบัติอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยจิตแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหม ไม่ต้องทันไม่ต้องทันนะเออ่แค่ตามการดูจิตเนี่ยเป็นการตามรู้มันเผลอไปคิดก่อนแล้วรู้ว่ามันเผลอไปคิดไม่ใช่คิดไปรู้ไปเป็นไปไม่ได้นะก็ะคิดกับรู้เป็นศัตรูกันเวลาที่จิตเราคิดเมื่อไหร่จิตเมื่อนั้นไม่รู้เพราะงั้นบางคนภาวนานะอย่างความโกรธเกิดขึ้นความโกรธขณะที่ความโกรธเกิดเนี่ยจิตขณะกุศล ขนาจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้โกรธเนี่ยจิดตดวงนี้เป็นกุศลแล้วนะตัวเนี้ดีถัดมาเริ่มทําผิดอีกแล้วช่้ไปคิดว่าพุโทโธพุโทโธเพื่อจะไม่ให้โกรธหรือโกรธนอ้นอโกรธน้อยจะให้หายโกรธนี่คือตกไปสู่การคิดล้ไม่ใช่วิปัสสนาละเมื่อไร่คิดเมื่อนั้นตกเกี่ยวกับการรู้นะเมื่อไหรรู้เมื่อนั้นไม่คิดจิตเป็นคนละดวงกันเนี่ยเบอร์เจ็ดสิบห้าใจลอยอีกแวบแล้วทราบไหมหัดอย่างนี้นะหัดรู้สภาวะใจหนีไปก็รู้ไม่ห้ามนะ ไม่ห้ามคำว่าห้ามเนี่ยไม่มีสาระบบในสาระบบของวิปัสสนาห้ามมีแต่ในสาระบบของสมถะสมถะเนี่ยจิตไม่ดีทําให้ดีจิตไม่สุขทําให้สุขจิตไม่สงบทําให้สงบวิปัสสนาไม่ได้ฝึกเอาสุขเอาสงบเอาดีวิปัสสนาฝึกให้เห็นความจริงของตายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนั้นดีก็ได้เร็วก็ได้นะเช่นกิเลสเกิดขึ้นในใจเรามีสติรู้ทันเราพระพุทธเจ้าบอกว่าดีนะ แต่ถามว่าเราจะทำชั่วได้ไหมทำไม่ได้ทาไมถึงทำไม่ได้เพราะเรามีสติรู้ทันกิเลสแล้วกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้สีนจะเกิดขึ้นอัตโนมัตินะอย่างที่เมื่อช้าบอกเนี่ยเบอร์เจ็ดสิบห้าใจลอยไปอีกแล้วทราบไหมออเก่งเก่งหัดดูอย่างนี้รู้สึกไหมใจลอยแวบแวบทั้งวันดูเรื่อยๆนะดูให้ได้ชั่วโมงละร้อยครั้งแล้อ เ, เก่งเลยเนี่ยไปอีกแล้วทราบไหม ไม่ได้ฝึกห้ามนะฝึกรู้ทันยมรู้สึกไหมใจจะลอยห้ามมันไม่ได้ใจจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วก็อยู่ได้ชั่วคราวรักษาไว้ไม่ไดนะ้จิตที่ใจลอยหลงไปเนี่ยเป็นตัวแทนของอกุศลจิตจิตที่รู้สึกตัวเป็นตัวแทนของจิตที่เป็นกุศลทั้งกุศลทั้งอกุศลล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งกุศลและอกุศลล้วนแต่บังคับไม่ได้ นี่เรียนจนเห็นสิ่งเหล่านี้นะแล้วใจจะวางทั้งสองข้างมงั้นใจจะไปเอาอันหนึ่งเกลียดอันนย์อี่าสมถะเนี่ยใจไม่ชอบทุ้งร่านชอบสงบไม่ชอบทุกข์นะจะเอาสุขเนี่ยไม่ชอบชั่วจะเอาดีที่จะเอาฝึกจะเอาเพราะงั้นฝึกสมถะไปก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีๆเป็นเทวดาเป็นปลอมเป็นอะไรไปเพราะเราจะฝึกเอาเราก็ได้สิเห็นไหม แต่วิปัสสนานี่ฝึกรู้ความจริงไม่ได้ฝึกเอาอะไรฝึกรู้ความจริงระหว่างพรู้ความจริงของกายของใจได้มันปล่อยวางได้ไม่ใช่เอานะแล้วก็ไม่ได้เอากระทั่งนิพพานนะไม่ได้เอาอะไรสักอย่างเลยเพราะถ้าคิดจอาวาเมื่อไหร่ความทุกข์จะเกิดเมื่อนั้นเลยโอ้พวกเราเยอะเกินไล่ทีละคนไม่ทั่วแล้วนะก่อนนี้วันหนึ่งมีสิบคนยี่สิบคนคุยได้ทั่วถึงเดี๋ยวนี้เยอะเกิน บางคนมาถามหลวงพ่อทำไมไม่เปิดคอร์สลงไม่เปิดหรอกแค่นี้ก็จะตายแล้วจริงๆไม่ชอบเปิดคอร์สสมัยพุทธกาลไม่มีคอร์สสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาพระไปหาพระพุทธเจ้าเนะไปฟังธรรมพอฟังธรรมเข้าใจแล้วท่านไล่นะโนโ่นคนไม้นั่นเรือนว่างนั่นภูเขาโน่นป่าไปต่างคนต่างธรรมตัวใครตัวมันนะ แต่ก็มีเหมือนกันที่ท่านเดินจงกรมพร้อมๆกันแต่นั้นก็คือเดินภาวนาของท่านเองนะไม่ใช่เดินท่าสวยๆเหมือนเหมือนกันแบบโยธวาทิศนะะไม่ใช่อย่างบางครั้งเนี่ยสระรวมกันเยอะพระสาวกท่านก็แยกไปอยู่กับพระผู้ใหญ่ไม่ได้อยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งหมดเพราอยู่ไม่ไหวเยอะบางกลุ่มท่านก็เดินตามพระสารีบุตรพระใสลรกบุตรเดินจงกรมท่านก็เดินตามไป พวกหนึ่งก็ตามพระอานุ์พวกหนึ่งตามพระโมกคัปลาพวกหนึ่งตามพระนุรุตพวกหนึ่งตามพระมาหากัสสปะพวกหนึ่งตามพระเทวทัตพระเทวทัตก็เป็นคนเก่งนะถึงมีคนนับถือเยอะมากเลยไม่ใช่กระจอกงอกง่อยนะถ้ากระจอกงอกงอยไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพระโพธิสัตว์หรอกแล้วก็บารมีเยอะนะวันหนึ่งจะเป็นทระปัดเจกับพุทธเจ้าได้งั้นไม่ใช่มือกระจอกหรอกแต่มือมือชั้นดีชฉยนะ นี่แต่ว่ามีมิจฉาทิฏฐิมากไปนหน่อยอยากใหญ่ขี้ฉาข้อเด่นๆท่านเยอะนะเนั่นมีคนตามเยอะพ้าอยู่กันเป็นกลุ่มๆแล้วพระพุทธเจ้าก็ชี้ให้พวกพลระที่นั่งอยู่กับท่านดูบอกหน้าพวกพระนั้นเดินตามพระสารีบุตรอยู่ะพวกนี้เป็นพวกชอบคนมีปัญญาพวกชอบปัญญาก็าไปเดินตามพระสารีบุตรพวกชอบมีฤทธ์ก็ไปตามพระโมกคลาอยากมีฤทธ์ตามพระโมกคลา พวกอยากได้ตาทิป์ก็ไปตามพระนุรุตพวกชอบถือธู ด, ดงก็ไปตามพระมหากรสปะพวกชอบความรอบรู้เป็นพระหูสูตรไปเดินตามพระ อ, อนนท์เผื่อท่านจะสอนอะไรท่านบอกพวกที่ตามพระเทวทัตนี่คือทั้งหมดนั้นปรารถนาลามมกลามกไม่ใช่ลามกจกกระเปรดนะลามกหมายถึงอะไรต้องการสิ่งซึ่งมันไรสาระอะไรเงี้ยเห็นสิ่งซึ่งไม่มีสาระเป็นสิ่งมีสาระ คนเราพบกันแต่ละกลุ่มแต่ละคนเนี่ยคนชนิดเดียวกันนะไปรวมกันนี่เวลาเรามาเรียนกนรรมฐานพวกเราหลากหลายรู้สึกไหมเรามาทําพร้อมกันไม่ได้หรอกทางใครทางมันทางใครทางมันนะกนรรมฐานเนี่ยใครถ่านักอะไรก็ทํามันนั้นแหละแต่ทําแล้วขอให้สติตัวจริงเกิดก็ใช้ได้แล้วยันหลวงพ่อก็เลยไม่ได้จัดคอสเอาทุกคนเดินพร้อมกันตอนนี้คนนี้เขาควรจะนั่งเราไปบังคับให้เขาเดิน เอาตอนนี้ทุกคนนั่งพร้อมกันไอ้คนที่มันอยากเดินละจิตมันควรจะเดินก็ต้องไปเดินแต่บับบคับเขานั่งนะเขาไม่ได้ผลกรรมฐานเนี่ยทางใครทางมันนะไม่ใช่ว่าดูจิตอย่างที่หลวงพ่อดูมาแล้วเป็นวิธีที่ดีที่สุดไม่ใช่นะกรรมฐานที่ดีที่สุดไม่มีมีกรรมฐานที่ว่าเหมาะกับพวกเราแต่ละคนแต่ละคนเท่านั้นทางใครทางมันเหมือนอย่างเราเจะขึ้นภูเขาสักลูกหนึ่ง เราก็มองก่อนนะจากเชิงเขาเราก็มองว่าเส้นนี้น่าจะขึ้นง่ายเราก็ขึ้นตามเส้นที่เราชอบใหจขึ้นไปเรื่อยๆพอขึ้นมายอดเขาเราถึงจะเห็นโอ้ทางขึ้นเขานะมีรอบตัวเลยกรรมฐานนี่มีรอบทิศ ท, ทางเลยไม่ได้เลือกนะว่าสํานักไหนดีสํานักไหนไม่ดีขอให้ทําให้ถูกหลักกนะส่วนใหญ่ทําผิดหลักทําผิดหลักก็คือเชื่ออาจารย์มากกว่าฟังคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไหมอย่างพระพุทธเจ้าสอนสติคือความระลึกได้ สติไม่เลื่อนลอยะสติคุ้มครองจิตสติมีการจําสภาวะทำได้แม่นยํำกินเหตุให้เกิดอาจารย์ก็บอกเอาเดินเข้าไว้แล้วสติจะเกิดไม่ตรงนะหรือกําหนดเข้าไว้อย่าให้เผลอนะนั่นสติจะได้เกิดไม่ตรงนะดันั้นเราต้องะระมัดระวังนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าอาจารย์ไม่ดีนะคือแต่ละคนมีทางเฉพาะตัวอาจารย์เนี่ยได้ใช้วิธีนั้นแล้วก็เดินมาได้ เดินมาได้เขาเดินได้ถูกหลักนะอย่างบางคนคก็กาหนดก่อนแล้วเสร็จแล้วเขาเลิกกาหนดได้ใจเขาเข้าถึงทำได้ก็ไปได้ถ้าทำได้ทำถูกก น, นะถูกหลักแต่ถ้าเราได้แต่เปลือกอาจารย์เดินท่านี้เราก็าจะเดินท่านี้ไม่ได้กินหรอกมันคนละเรื่องกันเลยนะมันไม่ได้อยู่ที่กิริยาอาการมันอยู่ที่คุณภาพของการรู้น ะ, ะคุณภาพของการรู้กายคุณภาพของการรู้จิต แต่หมดเวลาแล้วคุณส่งกันบ้านคุณอ้อยวันนี้ดีดีกว่าเมื่อวานจิตเมื่อวานจิตเศ้าหมองมากเมื่อวานเศ้าหมองฟุ้งซ่าน้ไหมมันผิดตรงไหนรู้ไหมมันผิดตรงดูออกนอกมันดูคนอื่นไม่ดูตัวเองจต่ห่งเออถ้าดูตัวเองอยู่ไม่เ่ร้าหมองหรอกนี่ดูอะไรก็หมองไปหมดนะมันไม่ตรงกิเลสเราดังนั้นให้ให้ดูตัวเองไหมดูของเรา จิตจะใ่อยๆผ่งใสขึ้นมามันรู้ทันเพมันไม่ไปหลงกลุ่มแตกมันแค่ใสขึ้นมาวันนีตน้ตั้งใจจะมากราบหลวงพ่ออะไรนะวันนี้ตั้งใจจะมากราบหลวงพอ่อเราหลวงพ่อก็เทศโดนรายอย่างก็โอ้โหลงพ่อเทศโดนทุกคนอ่ะเพ <c oughs> ากรรมฐานมีแค่นี้นะพูดกับใครก็ตรงหมดแห้ว ในพระไตรปิฎกมีนะมีเรื่องความประหลาดของธรรมะเวลาไม่ใช่หลวงพ่อไปเทียบกับพระพุทธเจ้านะมีเล่าพระไตรปิฎกให้ฟังเวลาพระพุทธเจ้าเทศเนี่ยคนฟังเยอะแยะเลยคุณธรรมสูงก็มีไม่มีคุณธรรมก็มีมีคุณธรรมนิดๆหน่อยๆก็มีแต่ทุกคนจะรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเทศโปรดตัวเองโดยเฉพาะเลยเนี่ยความอัศจรรย์ของธรรมะนะอัศจรรย์งั้นธรรมะอันเดียวกันประโยคเดียวกัน คนฟังหลากหลายความเข้าใจธรรมะจะหลากหลายแต่ถามว่าฟังเราได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์ตามชั้นตามภูมิของแต่ละคนนะแต่ถามว่าเราเหมือนกันไหมเข้าใจตรงกันไหมไม่ตรงหรอกความเข้าใจจะแตกต่างกันไปกระทั่งตัวเราเองนะฟังแล้วฟังอีกก็ต่างอย่างหลวงพ่อแต่ก่อนเนี้ยตั้งแต่เด็กๆ เ, เคยเรียนนะวิชาศิลธรรมคนรุ่นนี้จะเรียนวิชาศิลธรรมเรียนอริยศัจสี่ ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความพัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์สารพัดเลยนะเราก็ว่าเราฟังรู้เรื่องท่านสอนบอกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์แต่ว่าเราเข้าใจยังไงเราเข้าใจว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์ไม่เหมือนกันแล้วนะเนี่ยเรายังนึกว่าเราเข้าใจเลย ท่านสรุปท้ายบอกว่าว่าโดยย่ออุปาทานขันท่าคือรูปกับนามกายกับใจคือทุกข์ไม่ใช่คนนะท่านกลัวเราอย่างเข้าใจผิดว่ามีคนเป็นทุกข์ท่านถึงขมวดท้ายว่ารูปนามตั้งหากมันเป็นทุกข์ไม่ใช่คนทุกข์เราไปเข้าใจว่าคนเกิดคนแก่คนชวนเจ็บคนตายเป็นทุกข์ทั้งๆที่รูปนามต่างหากละ่ะที่มันเกิดดับมันเป็นทุกข์เราไม่เข้าใจหรอก หรือเราก็สงสัยนะหลวงพ่อเคยสงสัยทําไมพระพุทธเจ้าไม่เทศอริยศาสตร์โดยเริ่มจากสมุทยัยสมุทัยเป็นเหตุใช่ไหมเป็นต้นทางให้เกิดทุกข์ทำไมไปเริ่มจากทุกข์ก่อนเพราะท่านเทศจากการปฏิบัติถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์แก่แจ้งสมุทัยจะถุกละอัตโนมัติเมื่อไรสมุทัยถูกละแล้วนิ้โรคจะแจ้งอัตโนมัติตท่านเรียงลําดับจากการปฏิบัติเลยท่านไม่ได้เรียนทางปรรกะไม่ได้พูดในเชิงตรรกะหรือวิเคราะห์ใช้เหตุใช้ผลอะไร สอนธรรมะเพื่อการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆท่านถึงเริ่มจากทุกข์ไม่ได้เริ่มจากสมูทยัยหรือแต่เดิมเวาเขาเข้าใจนะภาวนาไปช่วงหนึ่งก็เข้าใจแต่รู้สึกว่ารู้อริยสัจแล้วเห็นเลยถ้าจิตใจเกิดปัญหาเกิดความอยากจิตจะมีความทุกข์ถ้าจิตไม่มีความอยากจิตจะไม่ทุกข์แต่รู้สึกภูมิใจนะว่าเข้าใจศาสนาพุทธภาวนาไปเรื่อยๆถึงจะรู้ผมไม่ใช่หรอก ตันหานะ่ะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ความไม่รู้ทุกข์ต่างหากแหละที่ทําให้เกิดตันหาเพราะฉะนั้นทุกข์กับตันตัวทุกข์นะกับสมูทยัยหรือตัวทุกข์กับตันหานิ่งอาศัยกันตลอดเวลาเลยสังสา ร, รวัตรถึงหมุนไปเรื่อยๆแล้วเพมีสมูทัยจึงเกิดทุกข์เพราะไม่รู้ทุกข์จึงเกิดสมูทยัยเนี่ยจะหมุนอยู่อย่างเนี้ยไม่เลิกหรอกเราก็ยังอุตส่าห์เข้าใจนะว่าแหมเพราะมีตันหาเลยเกิดทุกข์เนี่ยแสดงว่ารู้อริยสัจแล้วไม่รู้หรอก ถ้เรายังไม่เห็นเลยว่าเพราะไม่รู้ทุกข์จึงเกิดสมุทัยความไม่รู้ทุกข์นั่นแหละคืออวิชชาล่ะเพราะอวิชชานั่นแหละเลยเกิดตัณหาเพรมีตัณหาเลยเกิดทุกข์พอมีทุกข์ขึ้นมาก็อยากอีกละเพราะไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่าขันห้ามันทุกข์นะไม่ใช่เราทุกข์คิดว่าเราทุกข์ก็อยากให้มัน้นทุกข์อีกก็ดิ้นอีกมีตัณหาขึ้นมาอีกก็ดิ้นอีกเพราะงั้นยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้นเนี่ยสังสารวัฏเป็นอย่างนนนนนีี้ยยยยิิิิิิิ่่่่่่งงงงดดดดทททุกกไไปเรือมส การที่จะแหวกสังสารวัตหรือเป็นวิวัตรตะได้มิอันเดียวรู้ทุกข์ท่านถึงเริ่มจากว่าทุกข์คืออะไรทุกข์คือร่างกายกับจิตใจคือขันห้าให้ทํายังไงกับทุกข์ให้รู้ทุกข์รู้ตามความเป็นจริงรู้ว่ามันเป็นอะไรรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรารู้แล้วเกิดอะไรขึ้นรู้และปล่อยวางได้เมื่อปล่อยวางได้ความดิ้นรนหรือสมูทยัยหรือตันหาที่จะให้ตัวเรามีความสุขก็จะไม่มีตันหาก็จะหมดไปเอง ปัญหาที่จะให้ตัวเราคนทุกข์ก็จะไม่มีเพราะมันไม่มีตัวเราจะทุกข์อีกแล้วเนี่ยตัวรู้ทุกข์นี่ตัวสําคัญนะถ้ารู้ทุกข์แล้ก็สมุทัยจะถูกละไปเองถ้าสมุทัยถูกละจิตใจไม่ดิ้นรนจิตใจเสียสัมผัสนิพานนิโรดสันที่สุขนี่แหละการรู้ทุกข์จนละสมุทัยแจ้งนิโรดนี่แหละคือมรรคมีท่านขมวดท้ายอะไรอย่างเงี้งนั้นอริยสัจลึกซึ้งนะค่อยๆเรียนฟังวันเดียวไม่เข้าใจค่อยๆเรียนไป ก็ต้องเรียนกันนานนะธรรมะอ่ะวันนี้พอสมควรเชิญโยมกลับบ้านได้แต่หลวงพ่อว่าจะต้องไปซ้อมวิ่งหลวงพ่อมนตรีปากหมอตีมาจะช้าหลวงพ่อวิ่งแข่งสองรอยเมตร